ข้อที่สี่ครั้งนั้นพวกมนุษย์ในชมภูทวีปทั้งสิน้นพากันคิดมงคลเป็นพวกเป็นพวกว่าอะไรหนอแลเป็นมงคลจบประโยคแม้พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นฟังถ้อยคานั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดมงคลอย่างนั้นเหมือนกันจบประโยค โดยอุบายนั้นนั่นแหลพวกภูมิเทวดามิตรของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลายพวกอากาสัทกเทวดามิตรของภูมิเทวดาเหล่านั้นพวกเทวดาชั้นจาตุ ม, มหารามิตรของอากาสัทกเทวดาเหล่านั้นเปพวกอากนิฐะเทวดา มิตรของพวกสุทธสีเทวดาอั ญ, ญบทอิติรวมความว่าพวกเทวดาและพรหมฟังถ้อยคำนั้นจากมิตรของตอนนั้ น, น, นแล้วก็พากันคิดมงคลเป็นพวกเป็นพวกจบประโยคการคิดมงคลได้เกิดขึ้นแล้วในที่ทุกสถานจนถึงในหมื่นจักรวาลด้วยประการชนี้ จบประโยคการคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นยังไม่ถึงการตัดสินเด็ดขาดว่านี้เป็นมงคลได้ตั้งอยู่ตลอด12ปีจบประโยคครั้งนั้นพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดเว้นพวกอริยส า, าวกเสียแต่การเป็นสามพวกด้วยอำนาจทิฏฐามังคละ สุดตามังคละและมุตตามังคละจบประโยคแม้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งถึงความตกลงใจตามความเป็นจริงว่านีเท่านั้นเป็นมงคลมิได้มีแล้วจบประโยคต่อมาพวกเทว ด, ดาชั้นสุดทาวาดรู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่า โดยล่วงไปสิบสองปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากตรัสมงคลจบประโยคครั้งนั้นโดยล่วงไปสิบสองปีพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาประชุมพร้อมกันแล้วเข้าไปเฝ้าท้าส ก, กะผู้เป็นจอมเทพทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนิรทุกปัญหาปรารบมงคล ตั้งขึ้นแล้วจุลภาคพวกหนึ่งกล่าวว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลจุลภาคพวกหนึ่งกล่าวว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลจุลภาคพวกหนึ่งกล่าวว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลจุลภาคในปัญหานั้นทั้งพวกข้าพเจ้า ทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไม่ได้จุลภาคขอประธานประวรโรกาศขอพระองค์ได้โปรโดพยากรแก่พวกข้าพเจ้าตามความเป็นจริงเถิดจบประโยคท้าวสกะตรัสถามว่าเรื่องมงคล น, นี้ทีแรกตั้งขึ้นที่ไหนจบประโยคพวกเทวดากราบทูลว่า ในมนุษย์โลกจบประโยคท้าวส ก, กัตตรถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะที่ไหนจบประโยคพวกเทวดากราบทูลว่าในมนุษย์โลกจบประโยคท้าวส ก, กัตตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมาเถิดพวกท่านผู้เหนือทุกพวกเรา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 ทวนถามมงคลปัญหาจบประโยคพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหานั้นของเทพบุตรนั้นจึงได้ตรัสพระสูตรนี้ดังนี้แลจบประโยคคาถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นในมงคลสูตรนี้เท่านี้ก่อนจบประโยคข้อที่หสูสุต่างวะ ว่าท่านังการกำหนดพระสูตรในมงคลสูตรนั้นคำเริ่มต้นว่าเอวามีสุตังเป็นต้นอันพระอา น, นเยระผู้ถูกพระมหากัสปะเทระผู้เมื่อสังคยานาพระธรรมถามแล้วกล่าวแล้วแก่พระอรหันต์ห้าร้อยองค์ ในกล่าวสังคยนาครั้งใหญ่คราวแรกจบประโยคคาถานหนึ่งว่าพรหูเทวามนุษสาจะเป็นต้นเทวดากล่าวจบประโยค11อพระคาถามีว่าเอเศวนาจจพาลานังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบประโยคแม้คำลงท้ายว่า อิทัมโวจะเพขวาอตตมนาสาเทวตาเพขวตโตพาสิตังอภินันทิตวาเพขวันตังอภิวาเทตวาตัดเถวันตระทายิพระานนเถระกล่าวจบประโยคประมวลคำนี้นั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่ามงคลสูตรจบประโยค ข้าจะถามว่าคำเริ่มต้นและคำลงท้ายมีประโยชน์อย่างไรจบประโยคแก่ว่ามีประโยชน์เพื่อยังความงามสามประการแห่งพระสูตรให้บริบูรณ์จบประโยคจริงอยู่แม้มงคลสูตรชื่อว่างามในเบื้องต้นเพราะคำเริ่มต้นชื่อว่างามในที่สุดเพราะคำลงท้าย